สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่494พระวาระเจ็ดประโยคสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนที่หกสำเร็จแล้วปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่19ข้อที่30ซึ่งเป็นถ้อยคำแห่งการสำเร็จผลเป็นถ้อยคำแห่งความสำเร็จ ขออนุญาตทบทวนนะครับต่อพระบิดาพระเยซูทูลขอการอภัยโทษให้กับคนเหล่านั้นที่ตอกตะปูตรึงพระองค์ที่กางเขนโปรงอธิษฐานเป็นถ้อยคำแห่งการอภัยโทษเป็นพระวาท่าที่หนึ่งโอพระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดอภัยโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรพระวาท่าที่สองพระเยซูพูดกับโจรปรงตัดถ้อยคาพระวาท่าแห่งความรอด วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุกเกษมห้ยคำที่สามพระวาทะที่สามพระเยซูตรัสกับมารดาของพระองค์เป็นพระวาทะแห่งการปลอบแล้วปลอบประโลมใจแล้วลมใจพระองค์ตรัสว่าหญิงเอ๋ยจงดูบุตรของท่านเถิดพระวาทะที่สี่ต่อพระเจ้าพระองค์ตรัสห้ยคำแห่งความเจ็บปวดและการทอดทิ้งพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าข้า พระเจ้าข้าฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียรวาวะท่าที่ห้าพระองค์ตรัสกับฝูงชนโดยตวัถ้อยคําแห่งการทนทุกข์เรากระหายน้ำราวะว่า ท, ที่หกพระเยซูตรัสกับโลกเป็นพรวาวะถ้อยคําแห่งการสำฤทธิ์ผลก็คือสำเร็จแล้วซึ่งเราจะกล่าวในวันนี้ ป้าผีบันทึกว่าพระองค์ตรัสว่าสําเร็จแล้วและพระเยซูก็ทรงก้มพระเศียรและทรงก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนเมื่อพระเยซูตรัสคําว่าสำเร็จแล้วพระเยซูกระทําตามหลักการของการจ่ายราคาค่างวดครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า pay the price pay the price จ่ายราคาค่างวดพระเยซูจ่ายราคาค่างวดอย่างเต็มราคาและพอเพียงก็คือชีวิตของพระองค์เอง สำหรับหนี้สินหรือราคาแห่งความบาปได้จ่ายแล้วครับบนไม้กางเขนโดยการสิ้นพระชน์ของพระองค์พระเจ้าไม่ทรงต้องการอะไรอย่างอื่นอีกหรือพระองค์จะไม่ทรงรับอย่างอื่นแทนคำว่าสำเร็จแล้วเพราะคำว่าสำเร็จแล้วหมายถึงการนำมาสู่การสิ้นสุดสมบูรณ์การปลดภาระหนี้สินซึ่งบรรลุผลสมบูรณ์นะครับการเติมเต็ม การเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพระเยซูทรงกล่าวถึงราคาที่พระเจ้าทรงต้องการเพื่อการทรงไถ่มนุษย์จากความบาปได้ถูกชำระเรียบร้อยแล้วด้วยการสิ้นพระชนของพระองค์เพราะฉะนั้นคําพูดคํานี้จึงอยู่ในช่วงหลังๆของชั่วโมงที่หกบนไม้กางเขนนั่นเองการสิ้นพระชนฝ่ายร่างกายและการทรงเปน็นขึ้นมาของพระเยซู สิ่งที่จำเป็นอย่างแท้จริงต่อสาระสำคัญของความรอดนั้นก็คือพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าเราได้รับความรอดเพราะพระคุณของพระเจ้าเพราะการจ่ายราคาเพราะการทำจนสำเร็จตามแผนการของพระเจ้าพี่น้องครับคนผิดตายแทนคนผิดไม่ได้มีแต่คนถูกตายแทนคนถูกคนผิดนะครับ มีแต่คนถูกตายแทนคนผิดนั่นคือการจ่ายราคานั่นคือการชาระค่างวดที่น้องครับพวกที่สอนผิดนะครับเช่นพวกที่สอนว่าพระสบของพระเยซูนั้นยังคงอยู่ในอุโมงหรือรเยซูไม่ได้ตายจริงแค่หมดสติเฉยหรือ บางคนสอนว่าพระเยซูไม่เคยสิ้นพะชนบนใบัเงเขนเลยหรือบางคนสอนว่าพระเยซูแต่งงานและมีลูกมีครอบครัวล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งหลอกลวงครับไม่ชื่อตรงต่อต้นฉบับเดิมของพระกัมภีและเขาทำความเสียหายและเขายังเป็นเครื่องพิสูจน์ความผิดชั่วนิรันดุด้วยพี่น้องครับคนที่ไม่เชื่อเรื่องการสิ้นพะชนของพระเยซูบนแมเงเขน เพื่อตายแทนความผิดบาปเป็นการจ่ายราคาค่าจ้างของความบาปแล้วแล้วก็คนเหล่านั้นไม่มีสิทธิในชีวิตนิรันดร์ครับเพราะว่าการตึงกางเขนั้นเป็นแผนการที่สำเร็จของพระเจ้าและเป็นแผนการที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้หากเราเชื่อในเรื่องนี้และเราจำเป็นต้องเชื่อเพื่อให้เกิดการทรงไถยครับเพื่อให้เกิดความรอดที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา เมื่อพระเยซูตรัสว่าสําเร็จแล้วพระองค์ทรงประกาศว่าการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นการกระทําสุดท้ายของกระบวนการซึ่งรวมตั้งแต่การประสูติจากสาภูมจารีชีวิตของพระเยซู33ปีในโลกนี้ที่ไม่มีความบาปพรงทรงเป็นเครื่องบูชาที่เป็นตัวแทนของพวกเราและพิสูจน์ความจริงในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำมาทุกอย่างโดยการเป็นขึ้นเหนือนความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ที่นี่เราเห็นว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูนั้นเป็นการเสียสละชิ้นพิเศษสุดที่ประเสริฐที่สุดครับคําว่าสําเร็จแล้วไม่ใช่การพ่ายแพ้แต่เป็นชัยชนะเป็นเสียงร้องของพระเยซูเป็นเสียงดังของชัยชนะครั้งสุดท้ายครับเราจะเห็นว่าการตรึงบนไม้กางเขนหรือการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั้นเป็นแผนการที่กอเกิดขึ้นบนสวรรค์ปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้า พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้แล้วครับพระองค์ได้ทรงวางแผนไว้แล้วและเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาก็เกิดขึ้นการไถนั้นถูกวางแผนไว้ก่อนที่จะเกิดครับพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่เคยปรับปรุงแก้ไขแผนของพระองค์พระองค์ไม่ได้เป็นคนที่ตอบสนองแต่พระองค์เป็นผู้ที่เริ่มต้นพี่น้องครับ พรงประทานชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณใหม่ให้กับพกเราทั้งหลายที่เราว่าเป็นการบังเกิดใหม่และพระเยซูสอนว่าหากหากปราศจากการบังเกิดใหม่นั้นก็ไม่มีก็ไม่มีทางหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับธรรมชาติฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นของฝ่ายวิญญาณฉะนั้นการบังเกิดใหม่จริงสําคัญมากแตะ่ะเราจะบังเกิดใหม่ได้อย่างไรครับเราก็บังเกิดใหม่ได้โดยการเชื่อพึ่งในพระเยซู ศรัทธาในพระองค์สารภาพบาปกับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพผู้ช่วยรอดนั่นแหละครับคือการกลับใจใหม่เป็นจุดที่สําคัญที่สุดของผู้คนของผู้เชื่อทั้งหลายในขณะเดียวกันครับเมื่อถึงเวลาแผนการของพระเจ้าก็สำเร็จผลนั่นคือความหมายคําว่าสําเร็จแล้วเวลาและสถานที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าเพื่อจุดนุ่งหมายของการพบกัน นะครับของการคืนดีกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นพระมุท์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระธรรมยอ์นี้นะครับบันทึกลาดับเหตุการณ์ต่างๆมากมายเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกระบวนการของเวลาในชีวิตของพระเยซูขณะที่พระเยซูนั้นกําลังมุ่งสู่การึงกังเขนครับซึ่งเป็นวาระสุดท้ายของเวลาที่พระเยซูจะอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ สมมูลแบบครับยกตัวอย่างเช่นยอหมายที่เจ็ดพระเยซูพูดว่ายังไม่ถึงเวลาของเราสิบสองพูดว่าถึงเวลาแล้วเมื่อถูกยกขึ้นสิบสามบัดนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติแล้วสิบหกบัดนี้เรากำลังจะไป 17, สิบเจ็ดพระเยซูตรัสว่าสำเร็จแล้วพีพ่นัครับเราจะเห็นกระบวนการ แห่งเวลาในชีวิตขององค์พระบุญเจ้าพระเยซูของเราเป็นโปรเกรสซีฟนะครับก็คือมุ่งไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้เราจะสรุปนะครับแผนการแห่งความรอดสิ้นสุดบนไม้กางเกนครับบนตัวของพระเยซูขณะที่ถูกตรึงเป็นแผนการแห่งความรอดการทรงไถ่ของพระเจ้าที่กอเกิดขึ้นในสวรรค์และสาเร็จ ในโลกครับเกิดในสถานที่ที่เฉพาะเจาะ จ, จงก็คือโกลโกธาครับเวลาที่เฉพาะเจาะ จ, จง6ชั่วโมงบนแม่แห่งเขนและผลแห่งการตรึงบนแม่แห่งเขนผลก็คือความรอดอิรันของบรรดาผู้ที่เชือ่อพระเยซูเป็นผู้ที่บุกเบิกความเชื่อของเราและทําให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระเยซูทรงรู้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ ทรงทํางานสําเร็จสมบูรณ์ครับงานที่พระองค์ถูกส่งมาในโลกนี้โดยพระวิดาพรงมีหน้าที่ทําให้สําเร็จและการตรึงบนแมงเเขนเป็นเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นในชีวิตของพระเยซูนั้นอักขลสาวกสรุปพระกิติคุณโดยพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแหยืนยันโดยพระเจ้าเองพระบิดาเองยืนยันโดยการอศัศจรรย์ของพระเยซูเองยืนยันโดยการตึงบนแม่ง เ, เขนและยืนยันโดยการคืนพระชนของพระองค์บนแม่นเขนและยืนยันโดยเนื้อหาสาระแห่งข่าวประเสริฐซึ่ง เ, เรียกว่าข่าวสารวิรันการเป็นขึ้นเหนือความตายหรือการทรงคืนพระชนนั้นเป็นหลักฐานที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในสายตาของมนุษย์ว่า งานการทรงไถยงานการทรงช่วยรอดของพระเยซูนัน้นได้รับการยอมรับจากสวรรค์พูดง่ายก็คือว่าได้รับการแปร์พูฟและคอนเฟิร์มพี่น้องครับการปฏิเสธส่วนใดก็ตามนะครับตั้งแต่การทรงบังเกิดอย่างอัศจรรย์การปฏิเสธชีวิตที่ปราศจากบาปของพระองค์การปฏิเสธเรื่องเครื่องบูชาที่ถูกถวายบูชาเป็นตัวแทนของเราหรือการปฏิเสธเรื่องที่พระเยซูตาย ฝ่ายกายภาพถูกประหารถูกตึงแมง เ, เขนการปฏิเสธเรื่องการทรงไถยของพระเจ้าการปฏิเสธเรื่องการคืนพระชนของพระองค์ล้วนแล้วแต่เป็นคาสอนผิดนะครับซึ่งคนที่เชื่ออย่างนั้นจะไปไม่ถึงความรอดบางคนแค่ยอมรับงานของพระเยซูบนไมง เ, เขนหรือยอมรับเรื่องราวต่างๆแต่ไม่มีใจเชื่อใจศรัทธาไม่ได้บังเกิดใหม่ ก็ไม่ได้รับความรอดบางคนหลงหายไปนะครับบางคนไม่ยอมรับพระเมตตาของพระเจ้าไม่พึ่งพาในพระคุณพึ่งพากําลังของตัวเองคิดว่าตัวเองทําดีแล้วจะรอดบางคนขัดขืนด้วยปฏิยาต่อต้านที่รุนแรงต่อเรื่องสาระสําคัญของการตึงการเขน็นและไม่ยอมรับการคืนพระชนของพระองค์ล้วนแล้วแต่ไปไม่รอดขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราไปรอดและเรา เป็นผู้ที่รับความรอดโดยพึ่งพาในพระคุณเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่ตัวเราทั้งหลายกระทําเองแต่นั่นเป็นพระคุณที่พระเยซูคริสต์กระทําเพื่อเราเรารับโดยใช้ความเชื่อความศรัทธาเท่านั้นอาเมน